เนื้อเรากหนดในทีเ จ, ะจะา้านอาจทำหรือพระพุทธจ้าทรงแนะนำสั่งสอนวิเลิดจึงห น, นีนหน้าที่เข้ามาโยกข้อตัวกับจิตใจของเราได้โดยส่วมใหญ่ยังไม่มีอาจไม่ทราละเอียดยังไม่รู้ที่อยู่ที่อาศัยจิตใจยังไม่เค ย, ในในยเหนเป็ในอาจในทำเรื่องสมาธิสมาบัติจิตจะต้องจิตข้อ เทิดทน ม, มรูปเสียงรื่นลดต่างๆฉะนั้นท่านจึงว่าอาวุธคือกรรมฐานา ใ, ให้พิจอนาเจ้าสาเลมานะขาทางตาตายโจยซึ่งจึงเหล่านี้เราไปสถานที่ใดติดตัวไปตลอดเวลาแต่เกิดมาเพ่อกระทั่งวันตายกรรมฐานคือทำจะต้องมีประจำตัวมาตลอดกับพิจอนา เวลาใดการใดสมัยใดได้ทั้งนั้นเป็นตำราที่นัภาวนานักบียดจงศึกษาสาผู้ผมผมนั้นโดยส่วนใดหากริดาหยิบผมตามหลอกสนุกงโลกเรา็มกาจลจถือว่าผมเป็นของสวยงามคนที่มีผมเลืผมที่ควรที่จะไม่ดดหนา หรือเป็นอะไรเกิดขึ้นอย่างใดอย่างนึ่งจถือว่าคนนั้นไม่งามมีโลกคนมุถือกันอย่างนั้นผมเป็นเรื่องสคัญจะทสินค้าให้เกิดขึ้นคือเขาจะต้องหายคนที่มาบเผมันเียงงามดางนั้นอย่างนี้ตลอดทังดับแตงแฉะไข่ตกต่ต่างๆเสียเงินเสียทองไปนับไม่ได้คนที่ชอบสวยงาม จะต้องไปเปตี่ยนผมันเป็นความนิยมผลนุษยของโลกอย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้าวิจารา์อาจารย์สอนมรรคณาผลผลนั้นมันเกิดขึ้นจากของสกปรกเหมือนหญ้าเกิดขึ้นในหลุม้เรียกมเต้ยในสือที่มันเกิดสกปรกหญ้าที่เกิดในที่ในสกปรกไม่มีผนุษืออะไร มันก็นอยงอไงเลี้ยงก็ห่ยก็ตายไปเลี้ยงอกขึ้นเล็กหน่อยมันก็ตายมาคืองอขึ้นมาบด้เพรามีอาหารเผนธ้องพวกเราท่านก็เกิดขึ้นจากน้ำรลือดนเหลืองคือหล่อเลี้ยงให้ยืดยาวงองออกไปไา้และเผนนั้นถ้าหากตกลมออกจากที่สักไปขึ้นใส่ในอาหารตามกดฉัน นานเดืนอนเราก็ไม่ชอบจะท้องเทอิ้งถึงอาหารนั่นจะไม่เน่าไม่เสีย อ, อะไรอาหามีผมมากหน้านอยูอ่ในถ้วยในจานอาหารในหม้ออาหารรังเรียปในถ้วยแต่อยู่บนตู้ปลาทำไมไปหลงไปเทมหรือเขาไปทิ้งเอาไว้ในที่นั่งคี่นอนของเราผม คือมันอยู่บนพืชตะแต่เับถอนเอาลรืก็ขากเอาไปเก็บไว้แล้วก็ถือว่าไม่ดีไม่งามแต่ทําไมเราโหลงมันเรามันเสีมันงามเมื่อเขตกเข้าแต่งอยู่บนพืชะไอที่เรามาถึงที่เกิดของมันถึงที่อยู่ของมันถึงมันหลุดมันหลิศออกมาเราเป็นอย่างไรแลาเห็นั้นมันมีความหมายอะไรถ้าเราไม่โกรมันจะเกิดเราสะด่าเราไหม ถ้าเลาตวหลงมันได้ฝึกได้พึ่งอย่าไรคำนึงคำนึงที่นักที่จมาหาทางีห้สอนจิตใจท่องตนละเอีดัญญาขนก็เมืกันในใจนะเสือต้องงามอะไรไม่นเกิดนะอยู่ในนี้ในเต้าของเราหัวขึ้นจากของตกจากเสือโครกจ่าดันเลีอบเหลืองทั้งนั้นในใจมันเป็นของเสือของงนมยิ่ขน ใเร่มผ้าผ้าหากว่าเราเห็นเขาถอนออกมาเึื่อมใจเพื่อใส่จานอาหารจะเป็นอย่างไรจะเกิดข้าวซันปีซันหนื่อเวลาหิวห้อยมีคนมาทำแบบนั้นแต่เราถือว่ามันตกตะกบมันไม่สมควรแต่เหบุใดจึงต้อลงปที่มัหลงทำไมความรู้ของเราเป็นความรู้ที่หลงในใจความรู้ทีกแน่นอนค่้จริง ฉะนั้นป็นที่จะอะไรนะหาทางแก้ไขหยุดใจทั้งตนที่ตุดข้องในสมในฝนและตนเหมืนกันให้แกะออกเอาไปต้นไปแก้ไปทอดไปผัดจะทานได้ไหมจะทาในถ่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้เขาตัดเขาตงเขาแคบเตัดยังพอดูได้ถ้าหากใส่แล้วมันจะกิะสกอ้านสิจะสะกรดสะอ้านล็บก็ดู กันแต่งึงกันหัดกันอยู่เรื่อยชำระกันอยู่เรื่อยแปลงอยู่เรื่อยนอย่างนั้นมันน่มันหนนถึงขนาดนั้นตกร่มออกมาจากปากเป็นอย่างไรันเียวไหยงามไหมตกออกจากปากเขาันคนนั้นเสียวเยอะ็นงามเยอะจนนออเอมได้ไหมหากว่ามันเสียวมันงามอไม่ได้แต่อ็ไม่จกเด นั่นเป็นของปฏิปุนหนังกลมม้วนตันไ ม, ม่ว่านังแขนนังขานังหน้านังตาทะลุออกมานั่นเป็นอย่างไรมันเสียวไหมงามไหมและวทำไมโตหลงหาที่เจรณาได้เข้าใจตามเป็นจึงจิตจะไม่ีจิตเป็น10ข้อ ง, องนี่คืออายุที่จะฝ่าฟันตามขนัดยินดีท้องใจ จิตไปไข่จิตติดขอ้อนอกจากนั้นนีกจากเพื่อนที่เจรามาเรื่องของเขาผมขนและสันของเขาที่เราไปหลงผมขนและสันของเรามันมีอยู่ที่จะดูให้เห็นให้ใ่ใจชัดเจนมันเป็นอย่างไรเมื่ยอยู่ในเตียงของเตียเียงทำามไม่ห น, นัดยินดีใไเพลิดพลินเลื่มนหลงล้าจะถนัดยินดีทำไมเพรเรามีอยู่ จะไปเพื่อเพ่มยหยุ่นกันต้องเพอื่นทำไมเพมาะพอแก้เพื่อต้งเพือย่างไรเรื่องเหล่านี้ผมมันยาวมาต้องต้ตัมันเหมือนตาเหมือขนต้องสระถ้าผมยาวถ้เป็นพระก็มเล็บ็เหมือนกันจะต้องตัเลื่อยเมื่ออย่างนั้นก็งอกยืยาวฟาำะสาสดูเรื่อย เมื่ออย่างนั้นเสี่ออกมากลิ่นของปากก็จะเน่าจะเหม็นมันเป็นของปฏิกูลชัดเด่นอยู่อย่างนั้นแล้วเมื่อเรามีอยู่จะไปเหลงดูคนอื่นทําไมจะไปตำหนิยินดีแต่ของเขาทําไมของเราเป็นอย่างไรงของเขาก็เป็นอย่างนั้นหาก จ, จิตใจตรง น, นํบบาขึ้ น, มมนไม่มีอะไรติดบังโลกเปิดสมานเสมอไม่มีอะไรที่จะเพีแปลแตกต่างกัน เพราะเกิดขึ้นแปรเปว่นแตกสลายียถึง้าทั้งสเป็นอย่างนั้นฐานทั้งห้าจะเหมือนกันเราจะเป็นอย่างไรคนอื่นปัดอื่นมันจะเป็นอย่างนั้นเราทึกเดยียการรักษาปฏิบัติตายอย่างไรตายคนอื่นก็ทำานางเดียวกันไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกแตกต่างกันจิตใจ้าเห็นเด่นชัดอย่างนี้ นั่นกรณีอะไรในโลกที่จะมาปิดบังให้จิตใจลืมหลวงนี่คือที่ของนักเบื่อทุกคนจะพึงต้ปฏิบัติเป็นขังตนที่นิพพาหนดรักษาถาทิจรณาไปตามโลกตามสมมติมันก็ติดห้องเพดทอมลืมหลวงเขาาะสมมตอย่างไรมันก็ไปอย่างนั้นเพราะจิตใจของเราเคติดห้องเคยินดีอย่างเหล่านี้มา เพีงพอแล้วไม่ใว่าแต่ชาัจจุบันมันเคยเกิดเค่ตายมาเรื่องเกี่ยวกบปัญหาเคยเนจ้เป็นนายบังคับบัญชาจิตใจของเรามาเลยเลือกเพียงในต้องศึกษาในต้องมีคือแนสอนมันทอดไปเองมันจิดไปเองมันเป็นไปเองเรื่องชื่วที่า ม, า ม, ม, ม, ม, มันเคยทามามันมีจิตนิสไยเป็นอุปนิสัยจิตใจของเรามา ถ้าเราไม่แก้ไขในที่เจ้านะหักห้ามนั่นก็จะเริ่มหลงเลี่ยงไปนี่คือเรื่องของใจใม่ราคู้หญิงใม่ราคู้ชายแมาบวชเป็นพระเป็นเมือมีหน้าที่มีโอกาสการงานนานอื่นที่เราจะทำไม่มีชีวิตคนอู่นเลี้ยงดูคนอื่นฉะนั้นการฝึกปฏิบัติจิตใจเป็นมือ เวลามีโอกาสที่จะทำหน้าอย่างสะดียกอย่างสบายหาทุกคนไม่กระมาอทุกคนถือโอกาสทำผลงานความดีเรื่องจิตใจที่จะไม่เสื่ยมที่ที่จะไม่ดีไม่สงบไม่มีจะต้องดีต้องสงบต้องเห็นต้งเป็นม่อาจในธรรมเมื่อเราเห็นเราเป็นเราได้เราถึงเรื่องคล่องทำแล้วเราก็สะดวกเราก็สบาย จะเป้นจะตายไม่ต้องคำนึงคงาํานวณฮะเพราะเหตุใดเพราะสิ่งที่เราได้เราเป็นเราเห็นเรามันไม่ตายต่ตามสมมุติของโลกมันเป็นอย่างไรมันไม่ตายเราก็ไม่มีปัญหาไม่มีข้อสงสังยภายในใจของเร า, าสิ่งมันเกิดนามันแปลเปลี่ยนเราก็ทราบสิ่งที่มันไม่แปลเปลี่ยนไปกับอะไรเลยเราก็ทราบแต่ถ้าว่าเมื่อมันยังมีเชื่อ คือจะให้เกิดมันทาให้เกิดอีกได้เหนือชำระเชื่อมันหมดออกไปในมีอะไรคือจะเป็นเชือ่อก่อให้เกิดอีกมันตายไหมนิพพานประมังสุขขังมันตึงอยู่ที่ไหนนิพนานประมังสุญญังอะไรมันสูญไปมันเข้าใจจึงไม่มีปัญหาอะไรที่จะจิตข้ของในจิตในใจทั้งคือบกเคล็ดประจิปัตย์นีการภาวนาการศึกษาการเจริญพระเจริเนน ถ้าหากเราคูอเป็นพระเนนักบวชตั้งหน้าตั้งตาศึกษาตั้งหน้าตั้งตาภาวนาตั้งหน้าตั้งตาชำระกิเลสปัญหายื่นเห็นเด่นชัดในอัตในธรรมสื่อพระพุทธเจา้าสอนเราเองจะเหยียดเย็นเป็นสุขคนอื่นเขาเห็นจะเลี่ยมใสเป็นใจอยากจะบูชาศึกประเพื่อปฏิบัติคูอได้คูอถึงอัธรรมเพาเป็นเนื้อนาะบุญของเขา เขาเรียนสายเขาเตือนใจเขายินดีถึงจะอดยายาเก็นเท่าไรเขาก็สนับส น, นุนเพราะเห็นว่ า, าทําไปแล้วจะได้สารประโยชน์จากการกับทำของเขาเราต้องแนสอนตัวของเราเป็นนัก บ, บือ่อเป็นพิสุเป็นสามเณรอยู่ในศาสนาอาศัยผ้าเหลืองอาศัยเปิตเท่านั้นคือพอเราครบทีดด่ฉันไดาอยู่ได้กิน เป็นวันๆไปแต่ จ, จิตใจของเราเป็นพระประเสริฐหรื อ, อยังเป็นสมณนนะสามนเณรหรื อ, อยังสงบระงับหรื อ, อยังปลี่ตาพิจารณาทิ้งเวลาเวล า, ออาจิตทิดทิ้ไปเป็นเรื่องแก้ไขยุเหลนปัญหาหรือเป็นเรื่องนํามาคลึงทุกข์เพื่ต่างๆให้มีสติมีปัญญาที่จะพิจาตัวเครื่องตัวสนม่ำเสมอไป จิตใจทีใ่ในขาดสติในขาดปัญญาได้ชื่อว่าคือสํลักจิตใจของตนที่มีความเพียนเป็นสังโรธาธรรมคือสามารถที่จะกำจัดปเ่เต่ากิเปัญหาให้ถอดถอนหลุดเลื่องไปจากใจทังตัวหรือจนตะตะทำแผลเท้ากิเลสที่มีอยู่ในใจให้เดือดร้อนให้เหยียดแห้งให้หมดไป หากคิดได้ที่จะนาได้ถึกสอนตัวชั้งตัวโดยอาจทมที่พระพุทธช้เจ้าแนะนำสั่งสอนมาทุกคนจะก้าวห น, น้าในการแต่เพืปฏิบัติจะไม่เห็นอะไรดิ่งเสดไปเสดเท่าเรื่องของใจที่มีอาจมรทมในตื้นต้นในโหงื่เหงในลงไหลในเรื่ อ, อ, อ, องทั้งโหลก เพาทุกคนปรารถนาฝึกพอมาเจอฝึกมาเห็นฝึกในเตี๋ยวังตัวจึงไปหาเรื่องโน่หาเพราะอะไรนันก็ไม่เห็นถ้าเหยียดจึงไม่เห็นถ้าหาอดถ้าเห็นแล้วไม่หามันมีอยู่อย่างไรเข้าใจอย่างนั้นจะไปหามันทำไมมันเห็นอยู่ของเสียหายพอไปหายๆไม่เห็นถ้าเขาเห็นแล้วเขาก็ไม่หา จิตใจของนักภาวนาเสมือนกันในไข่ิดติดตามทำคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาในกายในวาจาในใจของตนถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสนเป็นศึกษาที่ควรศึกษาถือนนั้นถ้าหากบางค้อยหรือเสียหายตกขาดไปไม่ใช่เรื่องใหญ่โตสังคาประจิตต่อตามจะสามารถที่จะ ทำจิตทใจใ่ถัดคล้องปฏิบัติไม่สะดวกเราต้องรักษาสองพี้พิจารณาน้อในมือเน้ในมือถีดเป็นของยากถึงโลกถือกันตลอดถือเพื่อนจมแนกเดียวกันก็ถือทหาในมือถืดมือทำอยู่เดียวกันก็ตำหนกันในเป็นฝึก เพราเสีงเหนอเสมอกันฉะนั้นจึงควรศึกษาเรื่องทั้งศสียงดีเรื่องสมาธิต่อเมืองคับบัญชาจิตใจทั้งตนอย่าให้จีดขออ้องเ่าร์หมอนเอเพลินเป็นแต่ไปในทางผิดพยายามบังคับจิตให้ส ง, งบระ ง, งับเดี๋ยวติเด้ยปัญญาดี๋ยวจัดตาเดี๋ความเปี่ยนหากทุกคนสนใจทุกคนมุ่งมัน่น ในการปฏิบัติของตนเพื่อ ม, ม, ม, มรักเก็บผลจียงจังจิตเทลาหน้าที่อันอื่นมันจ่อางได้เพราะจิตําลังกู้ลือปัญหาจนจิตใหญ่จิตโตจิตเฉพาะตัวคนอื่นจะเป็นหมื่นเป็นแสนม า, าเฉลี่ยเหนื่อยได้นอกจากตัวของเราจะเฉลยเหนือตัวของเราตัวของเราจะทําเอาถท่านั้นจึงเป็นงานสำคัครับหมดกู้เลือปัญหาหมดภาระของใจสิจะไปคล้องติดจิตกลึงต่าง ตัวของตัวทาบเองเข้าใจเองจะจบทำไม่จังมันมีทางมันมีจิตอือ่นที่จะยื่งได้กว่าเป็นจิตที่ควรทำอย่างจริงจังอย่าไปสนใเรื่องอื่นเป็นของสำคัญยื่งต่าการลาทิ่งเลยการทำความเปลี่ยนตัวตัวเองถ้าทุกคนหนึ่งมั่นอย่างนั้นการปฏิบัติศาสนา ก็จะเริ่มขึ้นยิเสียขึ้นคือคนประชาคนเพื่อไปเขาก็เลื่อมใสเต็มใจยินดีเพราเหตุใดเพราตัวเองก็เห็นแตรู้ความเลื่อมใสความผ่องใสความสงบความเย็นเย็นของใจคนอื่นเขาเห็นต่างการความคึกต่างการทั้งดีก็ก็ตัแสวงหาหาพระเนรพากันแต่ทำบําเพ็ญอย่างนั้นศาสนาก็นับวัน คือจะมีคูอเชื่อถือคือเหลื่อมใสเพื่อเต็มใจปฏิบัติหากคืออยู่ในศาสนาในตั้งหน้าต่างตาภาวน า, ใ น, น า, าในตั้งหน้าต่างตาศึกษาในตั้งหน้าต่างตาจะทําบำเพ็ญจิตของตนคนอืน่นเขาจะดูหมุน่นมุนพาว่าเพื่อห่อนในศาสนาก็หลังเขากินในมีอะไรคืจะหน้าเชื่อหน้าเหลื่อมใสวิญญามอะไรยาก ก็ไม่นาดูสุดจาคาทีอะไรออกมาก็ไม่นาฟังในมีขพ่อผดิตในเบื้องเดืดจิตใจของเขาแต่นั้นเสือเราเสื่งเป็นาศาสนาทายาสื่อาศาสนาเราจะต้องแนสอนตัวครั้งตัวจำมันเสมอไปสิ่งใดที่จะเต็นไปเถื่อนความสุขความสบายเต็นไปเถื่อนการละทอนพิเลศ อย่าไปนอนใจเพราะชีวิตยังมีเสื่องหมายนายประกันอะไรจะเป็นเด็กเป็นหนุ่มมันจะตายคูอเท่าคูอแก่มันจะตายแล้วก็ไม่บอกว่าวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นท่านจะตายนั่นไม่บอกชีวิตเป็นอยู่เสี่ยงลมหายใจเข้าออกเทนั้นเข้าไม่ออกออกไม่เข้าก็เรียกว่าตายจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นพระเป็นเมนองมืองแก่ไม่ว่ะ รืดภาวนาะรืดกา e ทำความเพียรในตัวเห็นเป็นรู้ภายใาตัวข้งตัวจะหนมอยเสียใจการดมเหินเป็นความดีเป็นเรื่องสำคัญสำหรับตัวพระเกเร า, าท่นานเพราะถึงเลาที่อะไรไม่มีเพาถึจะยุ่งเหยงว่าวันนั้นไม่มีโอกาสวันนี้ไม่มีาานนมนนมเวลาภาวนานเะช่นในไปจะจิตใจหน่ รักษาในาสังวรจอดอยู่ตามสัญญาอารมณ์ตลอดเวลามาภาวนาต่อเพื่อจะทำท่าก็เลิกได้แป๊บเดียวแล้วก็หายไปตลอดเวลาอย่างนั้นมันจะดีจะวิเศษได้อย่างไรพยายามปลอมใจทั้งเต็มพยายามฝึกฝ น, นอบรมอยากดีอยากนี้ทำสงบตั้องทำ แต่แต่มันจะเกิดมาเองเกิขึ้นเองพระพุทธเจ้าก็ทำหลอกตายเหลือตายขึ้นอมาแมน่สอนโลกแต่ท้าไมง่ายอดถึงการทำพึกับจิริยาหาทางสะสุอดอาหารไปจนพะเลามาเพื่อขนรตดยตามเหนือดำตายรุดออกเพราะปราของขนพลเามามเน่าเราไม่ถึงนั้น เนอนผ่อนอาหารทุกส <Okay. S 1> enfin <cera> ิ่งทุกอย่างฉันทํากินกินจริงจังเพราะหาทางตัดสลุก็ตัดสลุมาต่อนนียนําท่ามสอนโยมมัึ้นมาปฏิบติทางก็ขึ้นมัึ้นมาของเรามันเข้ากับกิเลสทําขนาดนี้ก็ดีแล้วทํามากกว่านี้มันเบนอัตตาเกี่ยงเอาฐานเยอะในเส้นทางสายปางมื่อคือกิเลสปัญหาความอากของใจเราตัดสินเอง ไม่ใช่มันเป็นมัชชิมาหากมันดีดเิดจุดตรางๆในจิตข้องเสื่อมองอะไรอทไงต่างๆจิตต่างๆเสมอไปเห็นอะไรกระสักกระวาเห็นรู้อะไรก็ะสักกระวารู้ในมีการยึดถือจิตข้องเสื่มองอะไรภายในใจทั้งตนมันเป็นมัชชิมาในตัวนี่มันในเป็นขั้นนั้นมันในเป็นอย่างนั้นเราไปตัดทิ้น ใจของตัวเองว่าทํามากไปเนยดๆหน่อยๆมันเกินแล้วมัเดินอัตตาเคลื่อนมาถาไปแล้วในความใส่ใจมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอะไรกันทํานานทำลงไปจนให้มันเห็นผลไปจากธาตเด่นในตนมันจะเดินเรื่องอัตตานั่งให้มันทราบดูการทําจิตทําใจ บ, บังคับตั๋ยวของตัวเป็นเรื่องสาคัญคือท่านจะเตรียมบังคับความฝึกสวามอดลมในจอใหอ้ชีวิตเป็นหมือนวันนี้จะเป็นอะไรเดือนนี้จะเป็นอะไรพีุ่งนี้จะเป็นอะไรให้เราไม่ได้อะไรทั้งชาตเลยกว่าชาตินี้ก่อนชาตินี้ก่อนนี่เลื่อยไปเพราะวันนี้ก็อ้างวันหน้าที่ก่อนชาตนี้ก็จะต้องอ้างชาติหน้าต่อไป จิตใจนั้นเด่นแบบนะยิ่งอดทนกับเรื่งองของกิเลสปัญหาพยายามรักษาแน่สอนตัวทำสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับผู้่อาาที่ น, น, นำมาให้คิดคิดวิจัยนะนำมาศึกษานำมาปฏิบัติเป็นอาาัครโกเพื่อในมือการ ม, มีเวลาถึงศาสนาจะเลื่องไปสองพัน ห, า ห, าห้าร้อยกว่าปีจะตาม ความดียังเป็นความดีความเชั่วยังเป็นความเชั่วทุกยังเป็นทุกสมุทัยยังเป็นสมุทยัยมีโรกความดับทุกภายในใจก็ยังเป็นนีโรมคมรตเตรียมจะพิจารณให้มากอย่างไรจะต้องเป็นมรตอยู่เป็นหิถทางที่จะแต่จมรตถึงผลคือยืมลไ ด, ด้นใจต้องเป็นอย่างนะั้นมันกระทำมันต้องรวม ระวังรักษาทุกอิยาบททุกคนสนใจจะทำบำเพ็ญตามโอวาทของพระพุทธเจ้าเก่วกเรานักบื่อทุกคนจะจัดสรรครอบเยนตามสึกตามหยกเย็นข้างใจการทิบายสมะเห็นเราพอสนคจเสเวลาก็จะติตอย่างนี้